เป็นวัดหรือเป็นวัดจะได้ไล่ไปนั่งหลังพรุ่งนี้หลวงพ่อไปเทศที่บ้านจิตสบายในกรุงเทพใกล้ๆพุทธมณฑลไม่ได้ไปหลายปีแล้วไปเทศครั้งสุดท้ายที่นั้นเดินเพื่อสภา ปีห้าเก้าอะลายๆเดินแล้วไปเข้าลงบา้าบไม่ได้ออกข้างนอกมานั่งได้ข่าวว่ากรุงเทพอากาศแย่มากเลยเยอะบน่น ต, ต้องหายใจอยู่บนก็ต้องหายใจอยู่เดียนะนะม่อยู่อย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในป่าอ ย, อย่าชั่วหน่อย กวันผิดไม่ค่อยมีแต่ว่าเขาเผาเผาไร่ยิงลายเหมือนกันแล้วมันไหม้ขึ้นภูเขาเชา้ชาๆ้านี่ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ยิ่งแดดออกนะอากาศจะเคลื่อนไหวแต่ถ้าตอนค่ำน่ะนี่กลิ่นควันือแรงเหมือนกัน ให้นึกนันหลวงพ่ออยู่นานเกินไปคือยู่ตั้งแต่บ้านเมืองเงียบๆมีคนยี่สิบกว่าล้าน น, นี่คนเยอะเหลือเกินเข้ากรุงเทพน้องงงเลยถนนเยอะแยะมีตั้งหลายชั้นเนะไปไหนมาไหนไม่ถูกที่กรุงเทพพวกเรายัางต้ อ, งอยู่กันอีกนานทำใจไหมนะ เมื่อก่อนกรุงเทพมันก็สงบนะสมัยหลวงพ่อเด็กๆเราไม่รู้เรื่องที่จริงมันเป็นยุคอันถานคลองเมืองตอนหลวงพ่อเล็กๆอยู่ในกรุงเทพเรารู้สึกว่าบ้านเมืองสงบสุขวันๆไม่มีอะไรก็เล่นไปเรื่อยๆเลยรู้สึกบ้านเมืองสบายพวกเรารู้สึกไหมตอนพวกเราเด็กๆสบายกว่านี้รู้สึกไหม จริงมันก็แย่ๆเหมือนกันเลยยไหนมันก็เหมือนกัน <c oughs> แต่แตอนเราเด็กเราไม่ได้รู้เรื่องไม่ต้องรับผิดชอบตอนนั้นบ้านเมืองในความรู้สึกเราสงบแต่ว่าไปดูประวัติศาสตร์เขา ว, า, าวุ่นวายเช้าเชาเนี่ยเห็นพระเดินบิณฑบาตเยอะมากเลยที่บ้าน หลวงพ่อมีหน้าที่ยกโต๊ะโต๊ะตัวแค่นี้โต๊ะไม้เชา้ชาๆชยกไปตั้งหน้าบ้านผู้ใหญ่แล้วไปใส่บาตรมีข้าวเป็นขันขันขันทองเหลืองขันลงหินมีกับข้าวไปถาดดอกไม้ไปเป็นกากาใส่บาตรหลวงพ่อไปคุ้น กับพระรู้สึกบ้านเมืองมันสงบนะเดี๋ยวนี้ภาพนี้หายไปนึกไม่ถึงจะอยู่มาจนกระทั่งพระกลายเป็นสายพันธุ์ที่น่ารังเกียจไม่ใช่พระเลวขึ้นนะหมายถึงว่าคนยนุคนี้รังเกียจพระสังคม พระก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะ้ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไม่ได้ห้ามพระเข้าป่ากลัวไปถังป่าเมื่อก่อนพระอยู่บนในป่าสบายภาวนาเดี๋ยวนี้เข้าป่าลำบากห้ามพื้นที่ต้องห้ามเยอะตามภูเขาเคยไปภาวนาตามภูเขาตามถาม้ำ นี้เป็นที่ท่องเที่ยวพาไปไม่ได้ตามทะเลห้ามอยู่แล้ะชายทะเลห้ามเคยบินทบาดข้างถนนอันนี้คนไม่ตื่นเช้าเช้าพวกที่ตื่นก็ตะลีตะลานออกจากบ้านไปไม่ได้อยู่ใส่บาตราไปบินทบาดตามตลาดเพราะคนไปอยู่ที่ตลาดก็ห้าม เวลาเดินทางเคยไปกินข้าวข้างทางเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีร้านขายของไปอยู่ในศูนย์จัดค้าไม่ให้พระเข้าลาบากนะดำรงชีวิตยากอยู่ตรงนี้อยู่กับธรรมชาติเห็นสัตว์พวกสัตว์เนี่ยนี้จากโลกข้างนอกนะเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยเต็มไปหมดเลย ถ้าเราสังเกตเนี้ยจะได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงเนี้ยไก่ก็ไก่ป่านะ่ะมันแห่กันเข้ามาอยู่ในนี้สัตว์เวลาอยู่ข้างนอกเงียบกลิบเลยไม่ส่งเสียงไปตามป่านะตามอุทยานตามอะไรลองไปฟังเนี้ยไม่มีสัตว์ให้ดูสัตว์ซ่อนตัวหมดแลวกลัวไม่เหมือนสัตว์ที่นี่แสนซ่าเลยนะซ่า เสียงดังไม่กลัวคนพื้นที่ที่สัตว์จะอยู่หายากขึ้นทุกทีในเมืองไทยเสือช้างอยู่ไม่เกินสองร้อยนะเดือนนีดเดียวเสืออยู่หลักสิบอ่างเงี้ยใกล้จะหมดแล้วมันไม่มีที่จะอยู่คนยร่งที่อยู่ของสัตว์ไปไล่ต้อนตอนตอนเนมันไปกระจุกอยู่ในพื้นที่แคบๆมันไม่มีที่จะไป มนุษย์แย่งที่หมดเลยดูสัตว์ป่าคล้ายๆพระยุคนี้นะ่ะถูกตอนตอนต้อนวิวไปอยู่ที่ไหนแนละ้วต้องอยู่แต่ในวัดอยู่แต่ในวัดก็จะถูกว่าอีกว่าไม่ทํางานทําไมไม่ออกไปเผยแผ่ไม่ออกทุดงริบไปทุดงที่ไหนนะไม่มีที่ให้ไปอยิ่งนานมันนะ คนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นทรัพยากรถูกทำลายไปเราต้องเปลี่ยนวิธีภาวน า, าการปฏิบัตินะสมัยหลวงพ่อเด็กๆนะีครูบาจารย์เนี่ยเป็นสายพิจารณั ก, กายทั้งนั้นเลยครูบาจารย์อยู่สายกายแทบทั้งหมดอนะสายหลวงปู่มัน่นท่านก็พูดโธพิจารณั ก, กายสาย ท่านพุทธทาสก็ทำอาณาปณาาสติมันก็กายสายทางครูบาสีวิชัยท่านก็พุทโธพิจารณากายเหมือนกันอย่างหลวงปู่พุตรดาก็เหมือนกันครูบาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไปสอนเรื่องกายนั่งสมาธิเดินจงกรมลก็พิจารณาร่างกาย สายหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือนะมันก็กายท่างเจ้าคุณโชดกสอนพองยุคมันก็กายไม่มีแต่เรื่องกายทั้งหมดเลยแต่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดูลสอนจิตไม่เอากายนะแต่ลูกศิษย์ที่หลวงปู่ดุลสอนให้ดูกายเนี่ยเยอะนะไม่ใช่ไม่มีลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของท่านก็ดูกายลูกศิษย์ท่านอย่างหลวงปู่ฟั่น หนูปูอ่อนหนูปูสามเนี่ยมาทางกายนะเท้านั้นเชื่อคุณโชติลูกศิษย์ท่านแต่พระ้าท่านเจอหลวงพ่อนะั้นท่านสอนให้ดูจิตวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อฟังท่านเคารพนะรักท่านเคารพท่านแต่ไม่เชื่อรู้สึกในใจนะรู้สึก มันรุ่งรื่งมากกว่าไม่เห็นมีใครเขาดูจิตมันมีแต่เขาดูกายกันเท้านั้นไปวัดไหนก็มีแต่กายสํานักไหนก็มีแต่กายกระทั่งโกเอนกาโกเอนกาก็ธรรมานาปนสติก่อนแล้วมาดูเวทนาในกายอยู่ที่กายกันท้านั้นแหละสายจิตไม่มีนตอนที่หลวงพ่อภาวนาเราสอนเรื่องดูจิตขึ้นมาเนถึงถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ถูกต้านอย่างแรงไหมทั้งๆ ท, ที่หลวงปู่ดูลย์เบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองแต่เรานึ่นไม่ออกเหตุผลหาพวกก็ไม่มีนะไม่มีใครก็ดูจิตเลยเราดูจิตอยู่ไม่กี่คนเองวันเวลาผ่านมาเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนในยุคนี้เราจะไปทําสมาธิเป็นนานๆเราทาไม่ได้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยน ตื่นเช้าขึ้นมาก็ตะลีตาลานออกจากบ้านรีบไหมเช้าเช้าหรือตื่นขึ้นมายังเห็นดาวเต็มฟ้านะออกมาเดินจงกรมกลางแสงดาวไม่มียีก่กรุงเทพนะไม่มีเลยดาวคนกรุงเทพนะถามตัวเองซิเห็นพระจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นึกไม่ออกเลยบางทีเห็นวันลอยกระทงเพราะอะไรเพราะแยนหน้ามองะ วันอื่นไม่ได้มองไม่เห็นนะในบ้านเมืองมันไม่ได้สงบสุขตัวเราเองวิธีชีวิตของเราเรารุรีลุกลนตื่นนอนมานะยังไม่หายง่วงเลยยังไม่หายเพลียเลยลต้องตะลีตะลานออกจากบ้านนะน้ำอามมัง่งไม่อาบบ้างทาน้ําหอมเมาเพืนะ่อกลบกลิ่นที่แท้จริงของเราเองในนี้ก็หลายคนก็ไม่ได้อาบน้ำนะ ดูหน้ารู้อยู่นะเป็นหน้าพอดูออกทะเลตาลานไปนะแย่งกันแย่งกันใช้ถนนแย่งกันใช้รถเดี๋ยวนี้บอกมีรถไฟฟ้ารถอย่างน้อนรอย่างนี้เยอะแยะทุกคนไปใช้ไม่ได้เพราะมันแพงค่ารถไฟฟ้ากินค่าแรงวันหนึ่งไปเกือบหมดละ ก็ยังต้องใช้รถธรรมดานี่รถจะเต็มบ้านเต็มเมืองคนก็เยอะแยะแย่งงานกันทำใช่ไหมเด็กก็แย่งกันเรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้สบายขึ้นเด็กมันน้อยลงสมัยหลวงพ่อนะต้องสอบแข่งกันเข้าโรงเรียนจระทา่งโรงเรียนปถมนะสมัยหลวงพ่อสอบแข่งกันหลวงพ่อเรียนหนังสือสมัยที่ค่าเทอมนะ เทิมละ4ี่สิบบาทแล้วโอโหเลยข้าวแกงจานหนึ่งแพงกว่าสี่สิบแล้วอยู่นี้เงินเทิมหนึ่งสี่สิบาทนี่นนเงินต้องหาให้มากลกูกศิษย์หลวงพ่อมาเล่าพวกเราเองเนะยจำนวนมากเลยมาเล่าว่าสมัยก่อนนะสามีทำงานคนเดียวตอนนี้ตัวเองก็ต้องออกมาช่วยกันทำงานอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องออกมาทำงาน พอผู้หญิงทํางานหากินได้เองไม่จําเป็นต้องแต่งงานเดี๋ยวนี้คนก็ไม่อยากแต่งงานกันทํางานที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่พอกินเนี่เขามาบอกนะบอกตอนนี้ยลูกสาวทํางานสามที่สามส่วนแม่ทํางานห้าบริษัทไม่พอกินยังสงสัยได้เอาเวลาที่ไหนไปกิน ในชีวิตนะยิ่งน้ำวันนะมันยิ่งต่อโซ่ยิ่งแข่งขันดูเดือดทำไมต้องทำงานหลายที่เทคโนโลยีเปลี่ยนปั๊บเนี่ยธุรกิจที่เราเคยทำนะพังทลายต่อหน้าต่อตาเ่ยกิจาการที่เราเคยทำทำมาหากินได้สบายสบายนะเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเทน่นักิจาการที่เคยหากินได้หากินไม่ได้ต่อไปอยู่ไม่ได้ งั้มมีความเสี่ยงสูงในการดำเรงชีวิตของเราเราพร้อมจะตกงานถ้ามีงานหลายที่อย่างตกงานยังพออยู่ได้แล้วก็ไปหาเพิ่มเอามีงานที่เดี๋ยวเวลาตกงานลำบากเรายังไม่มีระบบรองรับคนตกงานที่แท้จริงยังไม่มียังไม่แข็งแรงพอเน้อทุกอย่างนะมันเครียดไปหมด จะทํามหากินงเพราะเคลียดเดี๋ยวนี้แย่งกันเรียนมหาวิทยาลัยดังๆมันไม่ใช่ แ, แย่งกันเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยน่าล้นเหลือบางมหาวิทยาลัยต้องโฆษณาบองช่วยมาเรียนหน่อยเถอะดีอย่างน้นดีอย่างนี้เขาไม่เชื่อหรอกถ้าเขาเชื่อว่าดีเขาก็ไปแย่งเงินเขาเนี่ยมันไม่กระจายจริงมหาวิทยาลัยบางที่เรียนจบมานะ มาหายอะไรให้ปริญญาก็อพอไม่รับรองก็มีเอะยะเลยเรียนไปนึกว่าจะทํามาหากินได้แล้วทำไม่ได้ะชีวิตนะมันเผชิญสิ่งที่แปลกๆซึ่งคนรุ่นหลวงพ่อไม่เคยเห็นนะเราเห็นรุ่นนี้ชีวิตไม่รู้เขาจะดํารงชีวิตกันยังไงเห็นแล้วงงชีวิตที่เคร่งเครียดตั้งแต่ตื่นจนหลับ อย่งดีว่าเมืองไทยยังไม่เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเลิกงานตอนเย็นแล้วกลับบ้านนะั้นถือว่าเลวต้องอยู่ที่บริษัทไปเรื่อยๆสองทุ่มสามทุ่มไม่ได้กลับบ้านต้องไปกินเลี้ยงกันต่อกับเพื่อนร่วมงานไม่เหมือนเยอรมันเยอรมันนะห้าโมงเย็นเลิกคือเลิกไม่เอาอีกแล้วแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเรา เดี๋ยวนี้เลิก ง, งานห้าโมงเย็นส่วนไม่กลับบ้านรถติดรถติดไปไหนดีไปเที่ยวกินนอนกินนี่เที่ยวนอนเที่ยวนี่รถมันก็เลยยิยงติดหนักขึ้นอีกไม่ยอมกลับบ้านเลยติดตึงสองสามทุ่มเลยเขาบอกว่ากรุงเทพรถติดก็ทําตัวเองอะช่วยกันอยู่ในถนนให้นานขึ้นแทนที่จะรีบๆกลับบ้าน สองสาทุ่มยังอยู่บนถนนเลยกลับมาบ้านสี่ทุ่มห้าทุ่มหมดเรื่องหมดแรงนี่เอาเวลาที่ไหนภาวนาไม่มีแรงนละเช้าขึ้นมาก็สมสารไปทำงานเย็นก็สมสารกลับบ้านชีวิตกลายเป็นสมสารไปเปลี่ยนชื่อไปชื่อสมสารได้นะไม่ใช่สอนสารชื่อสมสารลาบาก นี่ถ้าเราอยากจะภาวนาเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่จํากัดแบบเนี้ยเราจะทํำยังไงการดูจิตเหมาะที่สุดเวลาที่เราอยู่ในโลกที่วุ่นวายจิตใจเราเนี่ยถูกกระทบกระเทือนตลอดเวลามันกระทบตลอดเวลานะใจของเราอย่างเราอยู่ข้างถนนนะขับรถไปนั่งรถไปเห็นไหมป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลย เวลาเห็นป้ายแต่ละป้ายใจยังกระเทือนเลยนะไม่ใช่ไม่กระเทือนไปสังเกตให้เดียไม่ใช่เลินเพลินไปเรื่อยๆไปสังเกตใจตัวเองแค่ป้ายโฆษณาก็ทำให้ใจเรากระเทือนมากมายแนละ้วถัดจากนี้ไปจะ ก, กระเทือนยิ่งกว่านี้มันจะมีป้ายนักการเมืองโผล่ออกมาก็เห็นหน้ามั น, นเห็นแล้วเกิดปีติสุขไหมไม่เกิดเห็นแล้ว อ, อีกแล้วเหรอ อเงี้ยนะนสิ่งเหล่านี้นะกระทบเข้ามาตลอดเวลาเลยตาเห็นรูปนะใจก็กระเทือนหูได้ยินเสียงก็ใจก็กระเทือ น, นต่อไปเราจะได้ยินเสียงพ่อแม่พี่น้องที่เคารพท่านประธานที่เคารพมันเคารพอะไรนักหนาเดี๋ยวมันก็ด่าเขาได้ยินมุสาวาทามุสาวาต อกเข้ามาใจจะสงบไหมฟังหลวงพ่อจิตเบิกบานรู้สึกไหมถ้าหลวงพ่อหาเสียงเอาเบอร์นี้ดีนะอย่างเงี้ยความเบิกบานก็เราหายไปเลยหายเรียกไม่ใช่หายธรรมดาเรียกว่าหายนะเ <c oughs> นี่ยตาเราเห็นรูปนะใจเราก็กระเทือนหูเราได้ยินเสียงใจเราก็กเทือน จมูกได้กลิ่นตอนเนี้คนกรุงเทพจมูกตันไปหมดแล้วไม่ค่อยได้กลิ่นหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กรุงเทพนะเกิดกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพโตที่กรุงเทพทํางานในกรุงเทพจนกระทั่งปีสี่สี่ถึงได้ออกไปบวชก่อนหน้านั้นขนาดอากาศไม่เลวเท่าตอนนี้นะหลวงพ่อก็เป็นปุ่มแพ้ทั้งปีเลย น้ำมูกไหลทั้งปีหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่สะดวกทั้งปีออกมาอยู่บ้านนอกตอนมาบวชนะจมูกเริ่มดีขึ้นจนะมูกเริ่มพัฒนาได้กลิ่นดอกไม้ก็ได้กลิ่นแต่ก่อนมีดอกไม้ไ น, นะซื้อดอกไม้มาไม่ได้กลิ่นนะเห็นแต่หน้าตากันนะไม่มีที่กลิ่นพวกเราใครจมูกไม่ได้กลิ่นบ้างเอายกมือซิมีไหม งง <laughs> <笑><笑>เวลาจมูกพวกเราเนี่ยไวน้อยกว่าหลวงพอ่ออย่างหลวงพ่อเดินไปเนี่ยนะหลวงพ่อจะแยกได้เลยว่าตรงนี้กลิ่นดอกนี้ตรงนี้กลิ่นตัวนี้ะตรงนี้กลิ่นควันจะแยกได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเออพวกเราอะจมูกซึ้บื้อนะพวกกรุงเทพอะ่ะมันดมแต่กลิ่นอาประมงคนอะ จนกระทั่งจมูกมันทนไม่ไหวมันไม่ทำงานนะถ้าเราได้กลิ่นในกรุงเทพนะเราจะทนอยู่ยากสัตยนรกสัตนรกไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพนะนี่พูดถึงสัตนรกจริงๆในนรกเนี่ยนะลาบากทุกอย่างเลยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐะพระทั้งธรรมารมณ์มีแต่ของไม่น่าพอใจ เหม็นที่สุดเลยนะเหม็นเราเข้าไปใกล้ๆเนะี่ยเข้าไม่ได้เลยเหม็นมากเลยนะเราก็ร้อนมากเหม็นมากแต่เขาอยู่กันนะจมูกเขาชินเขาชินกับไฟนรกเผาไม่ตายถ้าพวกเราเข้าใกล้ตายเลยเขาชินกับกลิน่นอย่าทำหน้าเบ้บางคนจะต้องไปนะ <laughs> พวกเราส่วนหนึ่งจะต้องไปแวะเวียนอ ย, อย่าดูถูกนะมันคือบ้านเดิมของพวกเรานั่นแหลนะแลรววันหนึ่งบางคนจะกลับไปบางคนไม่กลับไปนะแล้วแต่จิตเป็นเครื่องจำแนกเ น, นืสัตว์ในโลกลําบากมากนะแต่มันไม่รู้จะทำยังไงมันหนีไม่ได้มันอยู่ในที่อากาศเป็นพิษอุณหภูมิสูงร้อน อากาศเป็นพิษไม่มีความสุขความสบายเครียดตลอดเวลาแต่มันก็ต้องอยู่ใครๆ ค, คนกรุงเทพไหมร้อนไหมอุ่นเทพรอหน้าหนาวใช่ไหมรู้ไหมสิ่งที่ตามหน้าหนาวมาคือขี้ฝุ่นนึกเหรอว่าหน้าหนาวแล้วมีความสุขนคนกรุงเทพร้อนเห็นไหมกวันเยอะกวันพิดก็เยอะ อาหารการกินมีให้กินมีให้เลือกเยอะแต่ไม่ค่อยรู้รสชาติหรอกเพราะรีบ ย, ดยัดใส่ปากเคี้ยวเคียวกลืนกลืนมีโอกาสกินข้าวแล้วรู้สึกว่าข้าวอร่อยไหมจริงๆข้าวอร่อยนะข้าวก็มีรสนะเคี้ยวเค้ยวไปข้าวหวานนะข้าวมีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นของข้าวพวกเราไม่รู้สึก สัมผัสของเราตื่นไปจิตของเราไม่ละเอียดร่างกายของเราสุดโทรมในสภาวะที่ยแย่เนี้กรรมาฐานที่เหมาะที่สุดคือการดูจิตของตัวเองจะเป็นดมกลิ่นนะว่ากลิ่นไม่เที่ยงมันก็เที่ยงอยู่นั้นะไม่ได้กลิ่นหไูได้ยินแต่เสียงอึกกระทึก คืนไปฟังเสียงในกรุงเทพมันคลุ่มใจตายเลยมีแต่เสียงอุกทึกครึ่โครมมีไม่เสียงนกร้องอย่างที่นี่หายากมีเหมือนกันซื้อเทปไปเปิดเสียงนกนะเสียงดนตรีเสียงอะไรหลอกตัวเองไปก่อนของจริงไม่มีเสียงน้ําไหลเสียงอนะไรต้องเปิดซีดีเปิดเทปเปิดวิดีโอฟัง ของจริงไม่มีมีแต่เสียงอือกระทึกคึกโครงมสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะมันด้านชามันกระทบอารมณ์ซึ่งไม่ค่อยจะดีอ่ะทั้งวันทั้งคืนมันเลยด้านชาอย่างบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถนะบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถใครบ้านอยู่ริมถนนมั้ง น, นอนหลับสบายไหม วั น, นี้เงียบจังเลยเงียถ้าคนบ้านนอกเข้าไปโอ้โหมันนอนกันไปได้ไงเนี่ยอย่างเงยนอนอยู่กลางสถานีรถไฟตูมตามโครลงครามตลอดเวลาเนื้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะี่ยดื้อด้านไปหมดแล้วแต่ใจของเราเนี่ยทำงานหนักใจของเราทำงานหนักนะอุตลุดเลยทำงานหนักกว่าคนรื่นก่อน นย่ตอนหลวพาอเด็กๆจิตใจทำงานไม่หนักบ้านเมืองเหมือนๆกันทุกวันนานๆจะมีข่าวอะไรให้คนตกใจสักทีเช่นมีข่าวว่าสีอุยจะมาจับเด็กจิตใจหวั่นไหวเดี๋ยวนี้พวกเราไม่กลัวสีอุยนะกลัวสีอูมากกว่าก <c oughs> ินมากๆ <c oughs> เป็นมะเร็งอีกอะไรเงี้ย น, น่ากลัวไปทุกอย่างหันมาดูจิตตัวเอง นะการที่จะดูกายได้ดีนะต้องใช้เวลาเริ่มตั้งแต่การใช้เวลาทำสมาธิให้จิตสงบเพราะจิตสงบพอสวมขวรแล้ว น, ะน้อมจิตที่สงบเนี่ยไปดูกายมันจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตานะแต่จิตใจเนี่ยมันดูง่ายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอากาศเป็นพิษจิตใจก็ยังเป็นปกตินะ จิตใจไม่ได้ถูกผิดด้วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตใจเป็นตัวรู้มันไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสหรอกไม่เหมือนร่างกายถูกกระทบจนสุดโทรมไปแต่จิตเนี่ยนะถ้าเราค่อยๆฝึกไปให้มันเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตใจจะเบิกบานอยู่ได้ในขณะที่ร่างกายห่อเหี่ยวจิตใจเบิกบาน จิตใจมีความสุขอยู่ได้ในทุกทุกที่มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายเราจะพลาดพลากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเราจะเจอสิ่งที่ไม่รักนะเจอคนที่เกลียดชังนะเราจะผิดหวังในชีวิตอะไรเงี้ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวนะจิตที่ฝึกดีแล้วนาความสุขมาให้นี่พระพุทธเจ้าพูดเมื่อสองพันหร้อกว่าปีก่อน เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่จิต ท, ที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เป็นเรื่องจริงงั้นเราพยายามมาฝึกฝนจิตใจของเรานะวิธีที่จะฝึกฝนจิตใจขั้นแรกเลยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองอย่าให้ล่องลอยลงไปอยู่ในโลกของความคิดลงไปอยู่โลกของแสงสีเสียงทั้งหลายพยายามอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว เวลารู้สึกจิตรู้สึกใจนะมันรู้สึกได้สองแบบอันหนึ่งรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเช่นใจเราขณะนี้เป็นสุขให้รู้ใจเราขณะนี้เป็นทุกข์ให้รู้ใจขณะนี้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆให้รู้นะนี่จิตใจเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปจิตใจเราดีจิตใจเราชั่วอย่างมันโอบขึ้นมาให้รู้นะมันอยากโ น, อ น, อกน่นอยากนี้ม่อยากทั้งวันแนะ นะมันอยากขึ้นมาให้รู้มันโกรธขึ้นมามันหงุดหงิดขึ้นมามันเซ็งมันเบื่อมันอิดชา้ามันขี้เกียจนะเนี่ยตระกูลโทสะทั้งหลายไม่แช่มชื่นให้รู้ต่ะกูลราคะเนี่ยจิตใจเบิกบานได้นะแต่ตระกูลโทสะเนี่ยจิตใจเศร้าหมองแน่นอนไม่แช่มชื่นใจจะต้องมีโทมนัส ไ, ไม่มีความสุขนะจิตใจมีโมหะไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์ มองสภาวะไม่ออกมีโมหะให้เราคอยรู้ทันนะจิตโลภขึ้นมารู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตหลงเนเช่นใจลอยไปรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันให้รู้บ่อยๆนการดูจิตดูอย่างนีนะ้เราดูตัวจิตตรงๆยังไม่เห็นเราดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตเราจะเห็นว่าจิตที่มีความสุขนะเกิดแล้วดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วดับ จิตที่ดีเกิดระดับจิตที่โลภที่โกรธ se ที่หลงเกิดระดับเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับโดยเห็นผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเราจะเห็นว่าจิตสุขเกิดระดับจิตทุกข์เกิดระดับเราดูตัวจิตตรงๆไม่ออกเราดูตัวสุขตัวทุกข์มันมีความสุขขึ้นมารู้มันมีความทุกข์ขึ้นมารู้แต่ไปจะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ถูกรู้นะเราจะเจอตัวจิตที่เป็นคนรู้สุขทุกข์มันเกิดดับพร้อมกัน จิตที่สุขก็เกิดพร้อมกับความสุขดับพร้อมความสุขจิตที่ทุกข์ก็เกิดพร้อมความทุกข์ดับพร้อมความทุกข์จิตที่โลภโกรธหลงก็เกิดพร้อมความโลภโกรธหลงตับพร้อมความโลภโกรธหลงเกิดดับด้วยกันนี่เราจะเห็นจิตมันเกิดดับได้โดยผ่านสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งในการดูไม่ต้องไปดูกาเกิดดับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดดับ ดูที่อายตนะดูจิตเกิดดาบผ่านอายตนะไม่ต้องดูผ่านเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ต้องดูผ่านสังขารคือดีชั่วโลภกรดหลงแต่ดูผ่านอายตนะได้จิตเนี้ยเดี๋ยวก็ดูรูปเดี๋ยวก็ฟังเสียงเดี๋ยวก็ดมกลิ่นเดี๋ยวก็ริมรสเดี๋ยวก็รู้สัมผัสที่กายเดี๋ยวก็ปรุงแต่งทางใจคิดนึกทางใจจิตเดี๋ยวก็คิดใช่ไหม เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังะเดี๋ยวจิตคิดเนี่ยมีมากที่สุดนเพราะฉั้นหัดดูจิตคิดให้ชํานาญจิตคิดเรารู้จิตคิดเรารู้เราจะดูจิตได้ทั้งวันจิตคิดทั้งวันนะไม่ใช่นานๆคิดทีนะเวลาท่องพุทโธจิตคิดไหมเกื้อกิดคําว่าพุทโธใช่ไมเพราะั้นจิตนี้คิดตลอดเวลาเะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่คิดได้เราจะเห็นจิตได้ทั้งวันเลยจิตคิดก็รู้จิตคิดก็รู้นะ ถ้าไม่เห็นจิตคิดจะจะรองลงไปคือจิตดูอย่างเวลาเราเห็นอะไรแปลกแปลข้างถนนเนี่ยจิตเราวิ่งไปดูเคยรู้สึกไหมเราขับรถอยู่เห็นรถชนกันนะนนจิตเราวิ่งผิวยข้างนอกนอกรถเราแหละจิตหนีไปข้างนอกนเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจิตวิ่งออกไปนอกบ้านไปฟังเสียงเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจเนี่ยส่วนใหญ่วิ่งไปคิด แล้วเวลาทำกรรมฐานนะจิตมันจะวิ่งไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างเราดูท้องพองยุบนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเรารู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมเวลาเดินจงกรมบางทีจิตไปอยู่ที่เท้าบางทีจิตไปอยู่ที่พื้นไปไกลเลยเวลาดูหนังจิตไปดูอยู่ที่ตาวิ่งออกไปทางตาดูหนังมันก็ไม่ได้ใช้ตาอย่างเดียวไม่ใช้หูด้วยใช่ไหม สลับกันนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันอยู่สามช่องเนีก็เลยรู้เรื่องว่าดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราดูเป็นนะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหตาหูจมูกลิ้นแก่ใจตรงเนี้สุดยอดเลยนะเป็นนั่งดูจิตชั้นเลิศเลยเพราะว่าเราเห็นจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกเลยโดยเฉพาะจิตหลงไปคิดเกิดบ่อยที่สุด ถ้าเราไม่เห็นตัวอื่นไม่เป็นไรขอให้เห็นจิตที่ไหลไปคิดเท่านี้ก็พอละ ว, วิธีที่จะเห็นคือทํากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะเช่นพุโทโธหรือหายใจก็ได้แล้วพอจิตมันลืมพุโทโธมันลืมลมหายใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันบ่อยๆพอรู้บ่อยๆแล้วต่อไปพอจิตหนีไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองมันจะรู้เองนะรู้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวก็หนีไปคิดใหม่กลายเป็นจิตผู้หลงคิด จิตผู้หลงคิดเกิดขึ้นแล้วสติเกิดรู้ทันว่าหลงไปคิดแล้วก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่จิตผู้รู้กับจิตผู้คิดเนี่ยเกิดดับสลับกันตลอดเวลานะเห็นอย่างนี้ซ้ําๆๆๆไปหลายวันหลายเดือนหลายปีซ้ําอยู่แค่นี้แหละในที่สุดปัญญามันจะปิ้งขึ้นมานะจิตมันจะเข้าใจขึ้นมาเลยจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงจิต ท, ที่รู้สึกตัวอยู่ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงก็ไม่เที่ยง จิตทุกชนิดไม่เที่ยงม่นจะเห็นนะทุกอย่างนี้เกิดดับโลกธาตุนี้ปรากฏกับเราเพราะจิตตันั่นเองนะถ้าจิตไม่ออกไปรับรู้โลกก็ไม่ปรากฏเะนั้นตัวจิตเองเกิดดับโลกนี้ก็ไม่คงที่เกิดดับไปตามจิตด้วยนะตามที่จิตรับรู้ในโลกนี้เลยไม่มีอะไรที่เที่ยงถ้าเห็นได้อย่างนี้นะนจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะ เองแค่เนี้เป็นพระสดาบันได้เหรือนต้องฝึกนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ท่านเวลาจิตมันไหลไปไหลไปคิดนี่แหละเกิดบ่อยไปฝึกเข้าสุดท้ายปัญญากเกิดจะรู้ว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดไม่เที่ยงพอจิตทั้งหมดไม่เที่ยงแล้วทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็ปล่อยไม่เที่ยงด้วยแล้วก็ทั้งจิตก็ไม่เที่ยงสิ่งที่จิตไปรู้จิตปรากฏถาวอนขึ้นมาได้ไง มันอาจจะมีอยู่แต่ว่าจิตไม่รับรู้แล้วตัดการรับรู้ไปแล้วมันโลกนี้ปรากฏต่อเราชั่วขณะจิตเท่านั้นเองโลกที่มนุษย์ทั้งหลายหลงอยู่นะเราหลงในรูปรูปปรากฏเกี่ับเราชั่วขณะจิตเดียวเราหลงในเสียงเสียงปรากฏทกี่ับเราชั่วขณะจิตเดียวเราหลงเกีกับกลิ่นกลิ่นก็เกิดขึ้นกับเราให้รับรู้ได้ทีละขณะจิตเดียว หลงกับรถรถก็เกิดขึ้นที่ลักษณะจิตเดียวหลงกับสัมผัสทางกายมันก็เกิดที่ลักษณะเหมือนกันนะเรื่องราวทางใจเกิดได้ยาวหน่อยนะเกิดได้เจ็ดขณะเรื่องราวทางใจยาวกว่าการกระทบทางร่างกายงั้นดูใจของเราไปเรื่อยๆนะดูใจมันทํางานเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดดูเมันแค่นี้แหละจะเป็นพระอรหันต์ได้นะในวันหนึ่ง เพราะตรงที่เห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงนี่คือภูมิของพระโสดาถ้าเป็นพระโสดาแล้ววันหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นพระอาหารย์ไม่มีทางเลือกทางที่สองหรอกนั่นไปฝึกของเรานะไปกินข้าวลิ้นกระทบรถแล้วก็ใจวิ่งลงไปอยู่ที่ตามองเห็นอาหารใจวิ่งลงไปในถาดก่อนนะเสร็จแล้วพอลิ้นกระทบรถใจเจริญไปในรถ หรือเจอคนอื่นไปมองเขาใจไปอยู่ที่เขาเนะี่ยค่อยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลามาทำตัวนี้ได้แล้ววัตตะวัตตะสงสารของเราจะสั้นนิดเดียวไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ